อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในเช้าวนันนี้ในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะเป็นวันสิ้นปีแล้วค่ะของปีพุทธศักราช2554นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน2หรือเดือน2นะคะคืออ้าย243แล้วก็เป็นปี มโรงแล้วนะคะก็คิดว่าท่าผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังและก็เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเสมอมานั้นดิฉันก็ก่ออนุโมทนาบุญนะคะสําหรับท่านที่ตื่นมารับฟังธรรมะดีๆจากรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันมาตั้งแต่ต้นปีค่ะ ในเมื่อรายการธรรมาร บ, บรุณในช่วงของการสากระฉามาพบกับท่านผู้ฟังในเช้าวนันนี้ซึ่งเป็นเช้า ว, วันเสาร์ที่31ธันวาคมเป็นวันสิ้นปีดังนั้นก็ขอนำท่านผูฟ้ฟังทางบ้านมากราบน้ำมกาลพระอาจารย์ไพยบูพุญอภิปุโนพระอาจารย์ของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคูณหลวงพ่อด ร, อรสะอาดทิตโภพโสท่านพระครูสิษธิที่พากรท่านเจ้า อ, อาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะ กราบน้มัสการเจ้าข้าพระอาจารจาาาย์เจ้าขาเขียนานสาธุเจ้าค่ะสําหรับวันนี้อย่างที่โยมเกลิ่นนะเจ้าค้าว่าเป็นวันสุดท้ายหรือเป็นวันสิ้นปีกะัละดังนั้นโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์อภัยบูญอภิปุโ น, โนพระอาจารย์ของเราเนี่ยเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะสากัะชาเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่ผ่านมาทั้งปีนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่พี่น้องประชาชนชาวไทยหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาใดาก็ตามเนี่ย อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่จะนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดอะเจ้าค่ะว่าเราได้ทําอะไรบ้างในปีนี้<ช>อยากจะขอให้อ่าความเมตตาพระอาจารย์พบุรอภิปุโนโดได้สาขะฉาในประเด็นนี้เจ้าค่ะให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังในชาวนันนี้นิมนต์เจ้าค่ะก็อันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้คือถ้าเรามามองดูเรื่องของปีเก่าปีใหม่เนี่ยในคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเรื่องนี้นะว่าคุณจะต้องมีการเฉลิมฉลองปีใหม่เทศกาลนั้นเทศกาลนี้อะไรไม่มี ทุกวันเนี่ยก็ไม่รู้จะตายวันไหนเอาเป็นว่าเราทำความดีกันแล้วกันแต่สิ่งที่เราจะต้องทำอยู่เนืองๆเช่นเราอาจจะอาศัยโอากาสในวันท้ายปีเกา่าขึ้นปีใหม่เนี่ยในการที่จะวิคราะห์ว่าไอปีที่ผ่านมานี่ฉันเป็นยังไงเนาะบางคนเคยเอาเอาลิสต์รายการที่ตั้งใจว่าปีนี้ฉันจะทำอะไรบ้างฉันจะลดน้ำหนักสัก10กิโ ช่าน้ำหนักต้นปีวันนี้ปันท้ายปีใช่ไหมมาดูโอ้ยน้ําหนักยังเท่าเดิมนะหรือว่าพูดถึงเพิขึ้นเจ้าค่ะยิ่งเพิ่มขึ้นวันี้ยิ่งน้ําตาถกไหนเออพูดถึงว่ า, าปีนี้ฉันต้องทําเงินให้ได้มากขึ้นต้องรวยขึ้นนะปรากฏมาดูถึงเอา้าทำไมเท่าเดิมคือน้อยลงด้วยซ้ำนะเราก็ยังพูดถึง เ, เรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัว เนี่ยเรามาคิดดูนะ ป, นนนะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วชีวิตฉันแย่ขึ้นแย่ลงหรือดีขึ้นกันแน่เราต้องมาดูตรงนี้นะพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าเราควรจะพิจารณาอยู่เนืองๆนะว่ า, ามีใครติเตียนเราด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่ พ, พุทธเจ้าพูดอย่างนี้บอกว่านวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยเราต้องมาพิจารณาว่าเราทําอะไรอยู่ เราทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยบัดนี้เราทําอะไรอยู่คือเป็นการกรณีที่ว่าวันส่สงท้ายปีเก่าเนี่ยเราก็จะมานึกถึงว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างดีไม่ดเีเราแยกกันเอาไวา้คือพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของสัมมาวายมะนะคุณเตือนใจที่ว่ารเราต้องมีสมด4ส่ส่ว น, นคือส่วนแรกเนี่ยคือความความชั่วที่เราคิดว่าเราเราไม่ได้กระทําแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก ไม่ให้มันเกิดขึ้นแน่นอนนะคือความชั่วที่เราจะกระทำไม่เคยกระทำเนี่ยเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นเช่นฆ่าคนเเสพยาเสพติดอันนี้เราไม่เคยทําเลยเราจะไม่ให้มันเกิดนะอันที่2องนะเขียนลิสต์ออกมานะรายการที่2เนี่ยคือสิ่งที่ความชั่วที่เรายังมีอยู่ที่เราคิดว่าเราต้องละมันให้ได้นะเช่นว่าความอยากเป็นไปตามอำนาจของปากอยู่เสมอ อ, อันนี้เรยังละไม่ได้ อันที่2นี่ก็พูดถึงการที่ไหลไปตามเพื่อนเพื่อนโทรชวนมาชวนไปกินชวนไปเล่นก็ไปงานการไม่ทำํำทำให้เราไม่รวยขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้เป็นรายการที่เราเขียนออกมาได้นจะทําให้เรารู้ว่าประมวลผลได้ว่าในปีที่ผ่านมาที่กําลังจะหมดไปปีนี้เอ๊ะนดีขึ้นหรือเลวลงในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของตัวเลขคุณเห็นแน่นอนตัวเลขในธนาคารในเรื่องของน้ําหนักที่ตาช่างน้าหนักคุณก็เห็นแน่นอน บ่มอยู่ที่ช่องน้าหนักแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยเราต้องวัดกันอย่างนี้นะคุณเขียนมาเลยเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแบ่งเป็นสี่ช่องนะช่องแรกเขียนความชั่วที่เราไม่เคยทําและเราจะไม่ทํามันเลยนะอันนี้จะให้กําลังใจเรานะเช่นการเสพ ย, ยาเสพติดการพัดพลาดเขาเรียกว่าล่วงของรักของคนอื่นนะก็มยของผู้นี้เราไม่ทําเราจะไม่ทําล ะ, ะส่วนช่องที่สองให้เราเขียนความไม่ดีที่เรายังมีอยู่ที่เราจะต้องพยายามละให้ได้ คุณมาดูว่ามันมีอะไรบ้างอย่างพระสงค์เนี่ยอาจจะมีข้อเช่นว่าออปีที่ผ่านมานี่ความชั่วที่เราไม่ทำที่เราจะไม่ทำเลยก็อย่างเช่นปราชิก4นะีเราจะไม่ทำเลยมีเพศสัมพันธ์ อ, อดคุณพิเศษในตนหรือว่าฆ่ามนุษย์อย่างนี้เป็นตน้นส่วนข้อที่เราอาจจะยังมีอยู่ความไม่ดีที่เรายังจะมีอยู่ที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้น สำหรับพระอ า, อาจจะเช่นว่ารับประทานน้ํา<ไ>ปานะมากเกินไปะนะตอนเย็นแล้วจะไปดื่ม น, น้ําหวานๆมันก็จะทําให้อตอนเช้าเนี่ยตอนค่าเนี่ยจะหิวข้าวยิ่งขึ้นไปอีกเอา้าเราก็ไม่ควรทําอย่างนี้แต่เรายังทําไม่ได้ตอนนี้เราก็เขียนไว้ก่อน อ, อันที่สามคืออข้อกุศลธรรมในช่องที่สามนี่คือข้อกุศลธรรมที่เรายังไม่มีอืที่เรายังไม่มีควรจะทําให้มี เช่นว่าสมาธิขั้นนี้เรายังไม่ได้นะการทําจิตเวลานี้เรายังทําไม่ได้เราก็เขียนไว้ถ้าเป็นคราวาญนี่ก็จะพูดถึงความดีในข้อเช่นว่าบางคนยังโกรธง่ายอยู่ทาไมพ่อพูดเรื่องนี้ขึ้นมาฉันจะโกรธขึ้นทันทีนะเราก็เขียนไว้ว่าอันนี้เป็นกุศลธรรมที่เรายังไม่มีหมายถึงสิ่งที่ดีๆที่เราคิดว่าเราจะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้แต่เรายังไม่มีนะในข้อนี้ก็เช่นเรื่อง บางคนอาจจะยังนอนตื่นสายอยู่ mm hmm. ก็เขียนไว้แล้วว่าฉันจะต้องการนอนตื่นเช้าก็เข mm ียนลงไปแล้วก็ส่วนข้อที่สี่ช่องที่สี่ก็เป็นสิ่งดีที่เรามีอยู่แล้วที่เราคิดว่าเราจะทําให้มันดียิ่งขึ้นอย่างเช่นว่าเป็นคนขยนันขันแข็งในหน้าที่การงานแต่เป็นคนตั้งใจทําอะไรจรงิงจังกุญเกียนไปเลยลเป็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วที่เราคิดว่าจะทําให้เราดีมากยิ่งขึ้นได้ซึ่งตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่เราพิจารณาควรใคร่ครวญนะว่าเราติเตียนตัวเราเองได้หรือไม่นะเราติเตียนตัวเราเองใ น, ในพอเรามาดูตรงนี้แล้วเราติเตียนตัวเราเองได้ไหมถ้าคนอื่นนะสามีเราภรรยาเราคนใกล้ตัวเรามาดูรายการนี้เขาจะติเตียนเราได้ไหมโอ้เธอยังนอนตื่นสช้ายอยู่อีกเหรอโอ้ยไม่ได้เรื่องมากอย่างนี้เร า, เราควรจะไปปรับปรุงตัวล่ะนี่นะนี่คือเรื่องของอปีเก่า <Okay. S 1> ทีนี้นอกจากนี้นะพระพุทธเจ้ายัางเคยบอกว่าไอ้สิ่งเก่าๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่ควรคำนึงถึงนะไม่ควรจะเอามาเป็นเรื่องที่กวนใจคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอย่ามากวนใจเราแต่ในที่นี้หมายความว่าอะไรคือหมายความว่าเราอยากไปยึดติดในเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นตัวสร้างประสบการณ์ให้เรา ใช่ไหมเป็นสร้างความสามารถความเรียนรู้ให้เราได้ก็คือเอาอดีตหรือว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาเป็นครูเราใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องเจ้าค่ะสิ่งที่จะมาเป็นครูเราได้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นบางคนเนี่ยยึดติดกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วมากๆอย่างเช่นว่าน้ํำตวมที่ผ่านมาโอ้โหฉันหมดตัวเลยเครียดมากนะดานน่ดาคนนู้นด่าคนนี้ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างงี้ทำอะไรไม่ได้เลยนั้นะยึดติดเกินไปก็จะทําให้ตัวเองนั้นทําอะไรไม่ได้ นะผ่านไปไม่พ้นะยิ่งตัวเองจะมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราเรียนรู้จากอดีตนะเราจะเตรียมการป้องกันในปีหน้ารู้จักวางแผนรู้จักเก็บหอมรอมริบซับใช้ในยามที่มีภัยเราก็จะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะอดีตเนี่ยอย่าไปยึดถือมันแต่ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับท่านพระมหาการนณะ์ นะพูดถึงเรื่องของอดีตเนี่ยผ่านไปแล้วอย่าไปสนใจเขานะให้มันมากวนใจเราแล้วก็ให้ตั้งมั่นในการที่จะทําปัจจุบันให้ดีเท่านั้นเองเผื่อถ้าเรามีแผนการดําเนินชีวิตง่ายๆอย่างนี้ในะโดยการพิจารณาถึงข้อกุศลข้ออกุศล2 อ, อย่างนะคือที่เราไม่มีและที่เรายัางละไม่ได้ส่วนที่เป็นกุศลสออย่างนะคือส่วนกุศลที่เรา ยังไม่มีเราต้องการทําให้มีแล้วกุศลที่เรามีอยู่แล้วเราก็ต้องทำการทําให้มันจเจริญขึ้นในเรื่องนี้เราก็จะมาสามารถพิจารณาดูได้เราก็จะมาเปรียบเทียบกับเ <c oughs> มื่อปีที่ผ่านมาด้วยว่าไอ้ที่เราตั้งเป้าไว้เป็นยังไงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหมอย่างนี้อาจจะเป็นการดีอยู่นึงๆทาอยู่บ่อยๆไม่ใช่ปีละครั้งหรอกแตมาว่าปีละครั้งนี่น้อยไป ช่วงต้นปีบลายปีอาจจะมาเป็นหนึ่งในหลายๆครั้งที่เรามาพิจารณา น, นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ชั่วค่ะแต่ตามปกติแล้วนี่ก็โยมก็เคยได้ยินที่คําสอนเหมือนกันนะเจา้าค่ะว่าบางทีก่อนที่เราจะเข้านอนในทุกๆคืนนั้นเนี่ยตอนที่สวดมนต์หรือว่าทําสมาธินั้นเนี่ยก็จะเป็นการดีถ้าหากว่าเราจะคิดทบทวนว่าในวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราทําอะไรดีบ้างหรือไม่ดีบ้างแล้วก็จะละ อย่างที่พระอาจารย์ได้ได้เมตตาชี้มาทั้งสี่ประเด็นนะเจ้าคะถ้าเราทําได้อย่างนั้นทั้งปีนี่เราก็คงจะเป็นหมายถึงบุคลากรที่มีคุณค่าทางผู้ศาสนาแล้วก็ทางสังคมด้วยนะเจ้าคะคิดดูแค่ว่าเราดีขึ้นวันละครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอไม่ต้องถึง 1% นึ่นตก็ได้เอาแค่ดีขึ้นวันละครึ่งเปอร์เซนต์เนี่ยโอ้ยแค่ต้นปีปลายปีนั้นเราจะเป็นคนละคนกันไปเลยฉะนั้นในขณะเดียวกันถ้าเราแย่ลงแค่วันละครึ่งเปอร์เซนต์ โอ้โปลายปีนี้ก็จะแยกกันไปเลยนะอย่างสมมติคุณเตนใจเนี่ยมีเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันนะหน้าตาก็สวยพอๆกันฐนะานะที่บ้านก็พอๆกันแต่พอมาถึงจนวิจุดเนี้ยที่มาอยู่ในการทำงานตรงเนี้ยบางคนเงินเดือนต่างกันสิบเท่าแตนะ่บางคนเป็นหนี้ด้วยซ้าบางคนครอบครัวแตกสลายขาดแตนะ่บางคนครอบครัวก็ดีคนละเรื่องกันเนี่ยแค่ยี่บสาสบปีเนี่ยโอ้มันคนละเรื่องกันนะคุณตนใจค่ะ เพราะนนแต่มาคิดว่ามันแค่ดีขึ้นวันละนิดหรือว่าแย่ลงวันละนิดเนี่ยมันจะทาพาให้เราไปคนละที่กันเลยชั้นค่ะอแต่สําหรับคนที่ไม่ไม่มีโอกาสหรือว่าไม่ไม่ได้ทันทําที่จะพิจารณาตัวเองในแต่ละวันนะเจ้าคะ่ะอาจจะโดยการยุ่งมีงานเยอะแล้วก็กลับมาก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างงี้นะเจ้าคะ่ะ อ, อย่างน้อยในวันสุดท้ายของปีอย่างเช่นวันนี้เป็นวันสิ้นปีนี่ มานั่งนึกถึงในทั้ง4ประการที่พระอาจารย์ภั ย, ยบุญได้เมตตาสักฉามานิยมก็คิดว่าคงจะเป็นบุญกับตัวเองและก็บุญกับสังคมไม่ใช่น้อยทีเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะก็ <c oughs> เป็นการดีแล้วล่ะ <c oughs> คือถึงแม้ว่าจะประมาทไปบ้างค่ะ <c oughs> คือถ้าเราไม่ได้ว่ามาพิจารณาปีละครั้งนี่ชื่อว่าคุณประมาทอยู่นะ <c oughs> ต้องพิจารณาอยู่เนืองเนืองเนืองเนืองในที่นี้ก็คงจะต้องมีทุกๆเป็นสัปดาห์หรือว่าทุกๆเดือน มาพิจารณาอยู่ดงเนืองว่าสัปดาห์ที่แล้วเราดีกว่าสัปดาห์นี้ไหมในะเดือนนี้เราดีกว่าเดือนที่แล้วไหมอย่างนี้ในเรื่องของคุณทํามสอย่างนี้ที่เราพูดถึงถ้ามาปีละครั้งนี่มันอาจจะน้อยไปอาจจะเป็นบางเรื่องทันต์เน่นเงที่เรามาพิจารณาปีละครั้งอย่างเช่นว่ า, าปีนี้ฉันได้ไปปฏิบัติธรรมหลีกเล่นไหมไม่ได้ไปโอ้โหปีที่แล้วได้ไปครั้งหนึ่งสองครั้งแสดงว่าปีนี้แย่ลงนะ จ, จะเป็น เ, เรื่องที่มันระดับปีที่จะพิจารณาระดับปีได้แล้วก็มาพิจารณาในวันนี้ เพิ่มเติมขึ้นไปเราก็ต้อง <Okay. S 1> เป็นผู้ไม่ประมาทคุณเตืนใจถ้าเราพิจารณาอยู่บ่อยๆเเน่นนานจะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทใน <Okay. S 1> ที่นี้เนี่ยข้อควรระวังมันมีอยู่คือบางคนพิจารณาในเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปยึดติดกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วบางทีไปเรืคิดเรื่องเก่าอยู่หน้ากุมขมับแล้วก็ก้มหน้าคอตกไหลงอคิ้วขมวด <c oughs> คิด <c oughs> ถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว <c oughs> นี่คือ <c oughs> ข้อที่ควรจะต้องระวังจริงๆเลย <c oughs> นะว่าเราจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณยึดติดกับสิ่งที่เป็นอดีตละนะสิ่งที่เป็นอดีตนี่ยมันผ่านไปแล้วนะเรา <c oughs> แค่พิจารณาเฉยๆเรียนรู้เขาเฉยๆไอเวลาที่เราที่อาจมาบอกว่าเรียนรู้จากอดีตแต่คุณจะไมอยากไปยึดถือเนี่ยมันต่างกันตรงนี้คือคนที่เรียนรู้จากอดีตเนี่ยนะเขาจะไม่มีความหมายมั่นว่า อดีตนั้นเนี่ยเป็นของเขาแต่คนที่มีความยึดถือในอนดีตเนี่ยเขาจะมีความหมายมั่นว่าอดีตเนี่ยเป็นของเขานะคือความยึดถือเป็นตัวตนคุณตื่นใจนี่รู้ไหมาบางคนเนี่ยจมอยู่แต่เรื่องในอนดีตนะแล้วก็ไม่สามารถลืมอดีตได้ลืมอดีตไม่ได้คุณก็ถูกดึงอดีตดึงอยู่นั่นแหละดึงหลังอยู่ดึงหลังอยู่จะเดินไปไห น, นก็ถูกดึงหลังอยู่มันไปไม่ได้ คือดึงหลังเนี่ยหมายถึงกาวเหนียวมันติด่นะผู้เจ้าเคยเปรียบเทียบกับตันหาเนี่ยเป็นยางเหนียวเราจะเดินไปข้างหน้าเดินไม่ได้ถูกยางเหนียวดึงเอาไว้มันจะไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่วางอดีตไม่ลืมนะไม่ใช่ลืมนะไม่ลืมจําได้เรียนรู้จากเขาแต่ไม่ยึดไม่ยึดนะแต่เรียนรู้จากเขาจุคาบางเรื่องจะลืมก็ลืมไปเถอะแต่ว่าให้เรียนรู้จักอดีตแล้วก็ อย่าไปยึดเท่านั้นเองเจ้าค่ะแล้วก็นําสิ่งที่เราเรียนรู้จากอดีตโดยที่ไม่ได้ไปยึดถืออดีตนะเจ้าคะมาปรับปรุงการกระทําของเราหรือการวางจิตใจไม่ว่าจะเป็นออกมาทางกายวาจาใจต่างๆนั้นเนี่ยให้อยู่ในทางที่ดีที่สุกที่ควรอยู่ในทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาที่จะสั่งสอนไว้ใช่ไหมเจ้าคะใช่บางคนก็จะไปยึดถือในเรื่องที่เป็นอดีตว่า ปีนั้นเศรษฐกิจดีปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยทําไมมันไม่ดีจะไปแก้ยังไงก็มันเป็นเศรษฐกิจแต่เราจะไปแก้ยังไงแล้วเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ก็แล้วกันเรียนรู้จากอดีตก็แล้วกันนะว่าเราจะเตรียมแผนการแก้ไขยังไงในปีถัดไปก็เราก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวของเราเองในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตซึ่งอาจจะ วอกลับมาอีกนะเจ้าค่ะที่ว่า<ช>จะอาจจะเหมือนกับเดิมๆที่เราผ่านมานะเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะมีเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยพูดเอาไว้ว่าเราอย่าไปยินดีคือถ้าเราดีขึ้นนะถ้าเราดีขึ้นในกรณีของคนที่ดีขึ้นเนี่ยพรพุทธเจ้าบว่าอย่าไปยินดีในคุณวิเศษที่ได้แต่เพียงเล็กน้อยหมายว่าถ้าปีนี้เราดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะเช่นสุขภาพเราดีขึ้นเราผอมลง น้ำหนักเราลดลงหน่อยหนึ่งดีละ เ, เงินเดือนเราก็เพิ่มขึ้นนะได้เลื่อนสองขั้นด้วยเราก็ความสัมพันธ์กับครอบครัวก็ดีแม่ดีละฉันพอใจพอแค่ น, นี้อย่าเป็นอย่างนั้น เ, เราอย่าไปพอใจในคุณวิเศษที่สักได้สักว่าเพียงเล็กน้อยนะให้เธอทําให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมะวินัยนี้เนี่ยยังมีเรื่องที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่เธอยินดีในเรือนว่างหรือเปล่ายินดีในเรือนว่าหมายความว่ามาปฏิบัติสมาธิหลีกเล่นไหม ปีปหหีหนึงเนี่ยหรือแค่อาทิตย์หนึงอ้าคือในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาจามาต้องขอร้องให้ท่านผู้ฟังว่าอย่างน้อย ค, คุณคุณทำอะไรเพื่อตัวเองสักสักชั่วโมงได้ไหมไปนั่งสมาธิสักชั่วโมงได้ไหมนี่ที่ในรายการที่ผ่านๆมาเราเคยพูดถึงว่าอตอนเช้าคุณตื่นขึ้นก่อนเวลาเช้าสัก10นาทีตอนเย็นตอนก่อนนอนคุณนอนอเลอะดไปล่วงไปสัก10นาทีแล้วทาอะไรนั่งสมาธิซะหน่อยมีเวลาให้ตัวเองซะหน่อยเพื่อจะพิจารณาเนืองๆว่า เราดีขึ้นไหมเราแยกลงไหมเราปล่อยวางได้มากขึ้นไหมสีเราเป็นยังไงอันนี้คือทําเพื่อตัวเองเป็นผู้ที่เรียกว่ายินดีในเรือนว่างาคุณยินดีในเรือนว่างสิบนาทีตอนเช้าก่อนออกจากที่นอนคุณยินดีในเรือนว่างสิบนาทีตอนข้ามก่อนนอนแค่นี้ก็ดีลนะแล้วก็ในหนึ่งอาทิตย์คุณมีไหมในเดือนนี้คุณมีไหมในปีหนึ่งคุณมีไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งขึ้นไปได้ นะมีคนอื่นจะมาติเตียนเราด้วยศีลได้ไหมถึงแม้เราจะดีขึ้นแล้วก็ตามถ้ามีผู้รู้ผู้อื่นอาจจะมาติเตียนเราในเรื่องอื่นๆได้ไหมเราก็ค่อยๆพิจารณาไปเราจะดีขึ้นได้ทุกวั น, ท, วนทุกวันด้วยอย่างนี้จบค่ะแล้วในการทําจิตใจต่างๆหรือว่าเขา้าซึ้งถึงประธรรมนั้นก็จะเรียกว่าเรียนรู้ละเอียดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะก็คือว่าละเอียดยิ่งขึ้นไปใช่เจ้าค่ะ คือถ้าเราเขาเรียกว่าไม่หยุดไม่หยุดในคุณวิเศษที่ได้เพียงเล็กน้อยเนี่ยนะเราจะดีขึ้นไปได้อย่าง <Okay. S 1> หลายหลายท่านเนี่ยพ อ, อทาสมาธิได้หรือว่า ด, ดีเขาเรียกว่าพอแล้ว ช, ชีวิตฉันพอแค่นี้คือคือไม่ใช่อย่างนั้นไงพอแค่นี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องภายนอกใช่อยู่แต่ว่าในเรื่องภายในจิตเราทยังไงให้มันละเอียดขึ้นมีสมาธิมากขึ้นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ค่อยดูไปว่าอดีตเนี่ยจะสอนเราได้เรามาถึงจุดนี้ได้ไงซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะไม่หลุดออกจากสิ่งที่เรียกว่ามัคคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราง่ายๆเราพิจารณาปีที่เราผ่านมาหรือที่กำลังจะผ่านไปนี้เนี่ยถ้าเวลาถ้าเราดีขึ้นเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าโอ้เราอยู่ในมัคเห็นชัดๆเลยอย่างเช่นมาถ้าเรารวยขึ้นเรามีความสุขมากขึ้น เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นเราจะอยู่ในมรรคคุณจะเห็นได้คืออยู่ในเส้นทางที่พูดได้ว่าเป็นอริยมรรคมี8งค์แปดพูดง่ายๆก็สีสมาธิปัญญาแต่ถ้าชีวิตเราแย่ลงในปีที่ผ่านมาแย่ ก, กว่าปีที่ปีโน้ตก็แสดงว่าคุณออกนอกมรรคออกนอกทางเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นคู่ครองอย่างเงี้ยปีนี้เราทะเลาะกับคู่ของเรากี่ครั้งปีที่แล้วทะเลาะกันสองครั้งใหญ่ๆ ปีนี้มาทะเลาะกนส4มสี่ครั้งใหญ่ใหญ่มันเริ่มแย่แล้วฮงทำไมเป็นอย่างนั้นแน่นอนคุณต้องเดินออกนอกมรรคไม่จุดใดก็จุดหนึ่งเราไปแก้ตรงนั้นได้เจ้าคะก็เรียกว่าต้องคิดพิจารณาอยู่เนืองเนืองในทุกๆด้านถูกไหมเจ้าคะทั้งในส่วนที่เป็นความละเอียดแล้วก็การเข้าถึงธรรมะรักษาศีลของเราภายในตัวเราเองกับการที่เราประพฤติต่อคนอื่น ทั้งคนในครอบครัวแล้วก็คนในสังคมด้วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะที่คุณตือนใจพูดถึงทุกเรื่องเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเคยได้ให้มาตรฐานเขา้ามาทุกเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของทิศทั้งหกนะเช่น1มันดาบิดานะความสัมพันธ์กับคุณระหว่างมันดาบิดาเป็นยังไงถ้าใครไม่ได้อยู่ร่วมกับมันดาบิดาเนี่ยคุณเจอหน้าพ่อแม่คุณครั้งล่ า, ลาสุดเมื่อไหร่ในะิดาท้วคุณเจอกี่ครั้งปีนี้คุณเจอกี่ครั้งอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์นในการวัดได้ในะเรื่องความสําคัญกับ มารดาบิดาถ้ามีลูกนะก็ต้องบัตรอย่างนี้มีภรรยาอันแรกคือมารดาบิดาใช่ไหมอันที่2คือบุตรภรรยาหรือสามีอันที่3คือเรื่องเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยเป็นยังไงเรามีเพื่อนมากขึ้นไหมเรามีเพื่อนดีมากขึ้นหรือมีเพื่อนชั่วมากขึ้ น, นเราพิจารณาได้อันที่4คือลูกน้องญาติลูกน้องที่เป็นมิตรขอไปลูกน้องที่เป็นผู้แทนบังคับัญชาเนี่ย เขาดีไหมเรามีเขามากขึ้นไหมลูกน้องเราดีขึ้นไหมเราก็พิจารณาตรงนี้แล้วอันที่5้าก็พูดถึงเจ้านายเจ้านายเจ้านายเราเป็นยังไงเราเปลี่ยนเจ้านายไหมเจ้านายเราดีขึ้นไหมเรามีความสัมพันธ์กับเจ้านายเราอย่างไรนะในเรื่องทิศเหล่านี้ก็จะเป็นมาตรฐานในการวัดได้อย่างดีทีเดียว น, น, นอกจาก4รายการที่พูดมาในตอนแรกนะรวมกับใน6ด้านนี้4ีหด้านนี้เนี่ย ก็จะเป็นเกณฑ์นในการวัดว่าชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเจ้าค่ะก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาวัดกันในตอนวันสิ้นปีนี้ถ้าหากว่าท่านไม่ได้วัดมาโดยสม่สมําเสมอนะเจ้าคะอย่างที่ตั้ง6นั้นพระอาจารย์เพรบุญก็เคยเมตตาที่จะสากถาว่า อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยทรงตรัสสอนเวลาว่าผู้ที่อยู่แต่ละทิศอย่างเช่นบิดามารดามีหน้าที่อย่างไรต่อบุตรและบุตรมีหน้าที่อย่างไรต่อบิดามารดา รวมทั้งที่อื่นๆด้วยนะเจ้าคะซึ่งก<ช>็คิดว่าทาั้งทางบ้านก็คงจะจำกันได้แหลคะค่ะค่ะคือในในข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ได้ก็ไปค้นหาที่เว็บไซต์ได้เจ้าค่ะที่เพียวธรรมะ .com นะหรือว่าจะสามารถทิ้งคำถามข้อเสนอแนะอะไรต่างๆก็ไปที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันเจ้าค่ะก็พระอาจารย์ภปยบุญอภิปุโนโก็จะเมตตาที่จ ะ, ะที่แจงแถลงขายให้ฟังนะเจ้าคะ และในบางประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยก็จะนํามาเสนอในรายการธรรมรับอรุณทั้งในช่วงของการสากักการะในวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ในการฝากท้ายรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันที่3 1ิบธันวาคมซึ่งเป็นวันซิ้นปีในวันนี้อยากขอกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบรุญอุปพิปโนพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะฝากแนืคิดทิ้งท้ายไว้ใน เป็นการส่งท้ายปีเก่า2 5 4เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะจเิพรในการปีที่ผ่านมาเราต้องอย่างที่พูดถึงไปว่าเราต้องพิจารณาในเรื่องว่าเรื่องสี่เรื่องของเราคือเรื่องกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้กุศลธรรมที่เราละไปได้แล้วแล้วเราจะไม่ทำอีกอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้กุศลธรรมที่เราละได้แล้วแล้วเราจะไม่ทาให้เกิดขึ้นอีก กุลธนะรรมที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นอีก2อย่างด้วยถ้าเรามาพิจารณาเรื่องนี้อยู่เนะืองโดยแบ่งเป็นทั้งหมด4่ห้าด้านในเรื่องของทิศทั้ง6เนี่ยเราจะสบายใจได้เราจะมีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเรานะแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาแล้วต้องเตือนนิดหนึ่งว่าเราอย่าไปายึดถือเขาแต่ต้องเรียนรู้จากประสบการณนะ์ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้เคยรู้มาใช้ตรงนั้นเป็นครูนะแต่อย่าเอามาท ม, มตัวเองแล้วก็จะ ทำให้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ให้ข้อมูลดีขึ้ น, ไ ม, นไม่ดีขึ้นไม่เป็นไรหรอกจะดีขึ้นหรือจะเลวลงก็เป็นใช้เป็นข้อมูลนะในปีต่อไปตั้งหากในบัตรนี้ตั้งหากที่เราจะต้องทำให้ดีซึ่งในเรื่องนี้เราจะมาพูดกันต่อในวันพรุ่งนี้ได้้ค่ะจึงก็จะเป็นวันต้อนรับปีใหม่พฤศจิกาตศ .2555 นะเจ้าค่ะสหรับในรายการธรรมรัรุณในเช้าวันสุดท้ายหรือวันสิ้นปีที่31ธันวาคมนั้นนี้ ดีฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะพร้อมแล้วที่จะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนโพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการของเรานะคะแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่พุทธกาช 2,555 กันแล้วคะ่ะก็สําหรับในเช้าวันนี้ก็มากราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุ์อภิปุโนและกราบขอบคุณท่านพร้อมกันนะคะ กราบขอบระคุณและกราบนมัสการลาเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าคผ่ะสาธุเจ้าค่ะ